ผู้สชใจไฟธรรมก็จะได้ฟังธรรมะเรื่องธรรมธาราตอนนี้ถึงตอนพลังแห่งกระแสโลกท่านครับเด็กสมัยนี้มันแย่เหลือเกิน โยงคำแสนปรารกกับอาตมาอาตมาก็ตอบว่าผู้ใหญ่ก็แย่เหมือนกันอาตมาขัดขึ้นทำให้โยงคำแสนยิ้มแ ย, แย่ๆแลว้วก็กล่าวรับรองว่าเป็นความจริงผมเห็นว่าคนสมัยนี้ พิเรนนาตันหาจัดจิ้งกว่าคนสมัยก่อนโยงคำแสนกล่าวต่ออย่างผู้สันทัดกรณีคนหนึ่งสังเกต ด, ดูสิครับไม่ว่าหนังสือพิมพ์ไม่ว่าวิทยุมันเต็มไปด้วยข่าวการคมขืนการจุดคราอณาจารย์การชิงรักหักสวาสดการค่ากันยิงกัน ฆ่าตัวตายเพราะเรื่องชูสาวการหลอกลวงคนไปขายให้ซ่องโสพิณีการมีอนุพัญญาดูมันวุ่นวายสิ้นดีสมัยก่อนผมไม่เคยเห็นมันเป็นถึงขนาดนี้ว่าแล้วก็สันสิษะอย่างเนยนายโยม อตาตมาเห็นว่ากิเลสตัณหาของคนนั้นสมัยไหนมันก็มีเท่ากันแหละอตาตมาพูดขึ้นเป็นทำนองแย้งโยงคำแสนเอา้าถ้าอย่างนั้นทำไมสมัยก่อนจึงไม่มีเรื่องยุ่งยุ่งทางเพศมากมายอย่างสมัยนี้ล่ะครับโยงคำแสนถามจ้องดูอาตมาเขมงอย่างได้ที อาตมากล่าวแต่เพียงว่ากิเลสตัณหาของคนสมัยก่อนกับสมัยนี้มีเท่าเท่ากันแต่ความยุ่งยากเรื่องเกี่ยวกับเพศสมัยนี้อาจจะมีมากกว่าสมัยก่อนได้อย่างโยมว่าก็เมื่อความยุ่งยากทางเพศมีมากก็แสดงว่าคนสมัยนี้มีกิเลสตัณหามากล้สิครับเพราะกิเลสกับการกระทำย่อมเกี่ยวเนื่องถึงกันอย่างใกล้ชิด เมื่อมีกิเลสมากการกระทำตามอำนาจกิเลสก็มากเป็นเงาตามตัวยงคำแสนค้านต่อไปคล้ายนักธรรมตัวยงอาตมาพอใจที่สามารถชักนำเขาให้เกิดอารมณ์ในการสนทนาอันมีสาระประโยชน์ได้การที่ลูกสาวกลับใจไม่ฆ่าตัวตายต่อไปคงทำให้แก่ร่าเริงาจ่ายขึ้นพร้อมที่จะสนทนาทำได้ ตามปกติโยมคำแสนก็สนใจในทางธรรมอยู่แล้วเขาเคยถามข้อธรรมต่างๆกับอาตมาอยู่เสมอในขณะใส่ปาดนอกจากจะสนใจในทางธรรมแล้วเขายังสนใจในเหตุการณ์บ้านเมืองอีกด้วยนว่าเป็นนักศึกษาผู้สันทั์ในคดีโลกและคดีธรรมในหมู่บ้านได้คนหนึ่ง อาตมาเข้าใจว่าการที่มีการประพฤติชั่วในทางเพศมากขึ้นนี้เพราะบ้านเมืองเจริญขึ้นมีสิ่งที่รบเรากามารมณ์มากขึ้นเมื่อการมารมณ์ได้รับการเราก็ฟุ้งขึ้นมาครอบงาจิตทําให้จิตใจมืดมัวมองไม่เห็นเหตุผลต่อจากนั้นก็กระทําความผิดต่างๆเช่นการคงคืนฝืนใจจุดฆ่าอนาจารเป็นตน้น โยมคำแสนนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามขึ้นว่าที่ท่านว่าบ้านเมืองเจริญขึ้นมีสิ่งรบเร้ากามรมณรมากขึ้นนั้นคืออย่างไรครับความจริงโยมก็เป็นผู้สนใจในเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่แล้วควรจะทราบดีแต่ตมาจะบรรยายให้ฟังก็ได้อาตมาเข้าใจว่าสิ่งยั่ว ย, ยาวกา ม, มารมณ์ประการแรกก็คือรูปภาพสตรีที่ นุ่งน้อยห่มน้อยที่ปรากฏอยู่บนปกหนังสือรายวันบ้างรายเดือนบ้างรายสัปดาห์บ้างภาพอนาจารเหล่านี้ผู้พิมพ์เผยแพร่กระทำขึ้นด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวคือเงินเขารู้จักธรรมชาติของมนุษย์ดีว่ามนุษย์ชอบกามารม์เขาจึงทำเหยือ่อลลอเพื่อให้คนซื้อหนังสือพิมพ์ของเขา ผลปรากฏว่าคนนิยมซื้อยางมากมายขายดีเป็นเทนามเทธาตรงกันข้ามนั่งซื้อพิมพ์ใดไม่ยอมลงภาพอนาจารลงพิมพ์แต่ภาพธรรมดานั่งซื้อพิมพ์นั้นคนก็ไม่นิยมหรือนิยมแต่น้อยในที่สุดก็ขาดทุนเลิกลงกิจการไปโยมคำแสนแย้งว่า ผมยังมองไม่เห็นว่าเพียงแต่รูปภาพอันปราศจากชีวิตบนแผ่นกระดาษนั้นจะทำให้คนเกิดการมารม์ได้อย่างไรนิมยมคำแส้งยังไม่เห็นด้วยสำหรับโยมหรือสำหรับสตรีภาพอาณาจารย์เหล่านั้นอาจจะไม่มีความหมายอะไรแต่สาหรับคนหนุ่มคะนองหรือคนที่ยังไม่แก่เกินไปแล้วภาพเหล่านั้นมีความหมายมากนะโยม เพราะตามธรรมชาติของผู้ชายนั้นกามารมณ์ย่อมเกิดเมื่อได้เห็นภาพยุโยยนทางตาส่วนสตรีเพศนั้นจะเกิดกามารมณ์ก็ต่อเมื่อร่างกายอยู่ในระยะเหมาะสมมีความรักหรือชอบในบุรุษได้ฟังคําหวานหรือได้รับการสัมผัสทางกายเท่านั้นภาพอนาจารเกือบจะไม่มีความหมายเลยสําหรับสตรี เพราะฉะนั้นเมื่อโยมได้ยินข่าวการกระทําความผิดทางเพศโยมก็จะเห็นว่าฝ่ายชายเป็นผู้ริเริ่มก่อนเสมอรู้สึกว่าท่านรู้เรื่องธรรมชาติทางเพศของมนุษย์ดีมากโยมคำเสนประรบขึ้นเมื่อเป็นขราวว่าอัตมาเคยศึกษามาบ้างเอาละครับเมื่อภาพนุ่งน้อยห่มน้อยเหล่านี้ก่อให้เกิดกามรมารม ก็จัดได้ว่าเป็นต้นเหตุให้คนกระทําความชั่วทางเพศผิดศีลผิดธรรมชะนายเจ้าของหนังสือพิมพ์จึงกล้ากระทําสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมเช่นนั้นเขาไม่มีความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของสังคมดหรือหรือว่าเขาไม่มีศีลธรรมโยมเอ้ยคนที่ถูกกรรมารมณ์ครอบงำจิตแล้ว ย่อมไม่เห็นเหตุผลกล้ากระทำความผิดทางเพศฉันใดคนที่ถูกความโลภในเงินครอบงำจิตแล้วย่อมไม่มองเห็นทำฉะ น, นั้นอย่าว่าแต่คนทำนังสือพิมพ์เลยแม้คนอื่นๆที่มุ่งเงินก็พลอยช่วยเผยแพร่ภาพเหล่านั้นด้วย เช่นร้านกาแฟก็นำไปติดตามข้างข้า ง, า ง, างฝาลานตาไปหมดร้านตัดผมก็เอาไปใส่กรอบแขวนไว้ข้างฝาข้างหน้าโต๊ะตัดผมห้างร้านต่างๆเมื่อถึงคราวขึ้นปีใหม่ก็แจกปฏิทินรูปอนาจารย์เพราะเขารู้ดีว่าคนจะต้องมองแล้วมองอีกผมเริ่มจะเห็นด้วยกับท่านแล้ว ก็เมื่อภาพเหล่านั้นมีส่วนช่วยในการทำลายศิลทำอันดีงามทำไมทางการจึงปล่อยให้เขาทำอย่างอิสระเสรีเล่าทำไมไม่ห้ามปรามเสียที่เขาไม่ห้ามปรามก็มีเหตุผลอย่างอื่นด้วยและอีกอย่างหนึ่งเหตุผลของเขาก็คือเขาอ้างว่าเป็นศิลปะสิคุณโยม เมื่อเขาอ้างว่าเป็นศิลป ะ, ะทางการก็ไม่รู้จะทาอย่างไรอันนี้เหตุผลส่วนหนึ่งแต่ก็คงจะมีเหตุผลอย่างอื่นด้วย เ, เรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วล่ะครับโยมคำแสนกล่าวอย่างมุนงานศิละปะอะไรกันนี่มณฑนท่านช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยเถอะผมเคยได้ยินเหมือนกันแต่ไม่เคยเข้าใจเลยว่ามันหมายถึงอะไร อาตมาเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรอาตมาเคยถามคนหลายคนว่าศิลปะคืออะไรแต่ทุกคนก็อธิบายว่าไปวนมาจนไม่รู้อะไรรู้สึกว่าศิลปะเป็นคำพูดโกโก้คำหนึ่งซึ่งคนมักจะอ้างถึงเสมอแต่เมื่อสืบสาวไปถึงที่สุดก็จะพบว่าเขาอ้างเพื่อผลประโยชน์ของเขานั่นเอง ยองคาแสนนั่งเองียงศีรษะไปข้างนั้นทีข้างนี้ทีเป็นเชิงคิดแล้วก็พูดขึ้นว่าอาล่ะครับศิลปะก็ศิลปะวันหลังว่างๆผมจะไปถามอาจารย์วิโรดูท่านสอนอยู่ในเมืองผมได้ทราบ ว, ว่าท่านสอบได้ปริญญาทางศิลปะมาได้ความอย่างไรผมจะเล่าถวายนอกจากรูปภาพนุ่งนอนห่มน้อยแล้วมีอะไรอีกครับ นอกจากรูปภาพแล้วก็มีรูปจริงๆสิโยรูปจริงๆอะไรครับก็รูปคนที่ยังเป็นๆ เ, เดินไปตามถนนนี่แหละอัตมาหมายถึงสตรีที่นิยมนุ่งน้อยห่มน้อยชิ้นคือนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นใส่เสื้อเปิดข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างข้างๆบ้าง นุ่งกระโปรงสั้นเลยเข่าขึ้นไปบ้างใส่กระโปรงหรือกางเกงรัดรูปจนเห็นส่วนสั์ต่างๆชัดเจนบ้างอาตมาว่ารูปจริงๆเหล่านี้เมื่อผู้ชายเห็นตาตาอยู่ทุกวันทุกหนทุกแห่งก็เกิดความรู้สึกทางการมรมได้เท่าเท่ากับรูปภาพหรืออาจจะมากกว่าเสียอีกเพราะเป็นของจริงจริงของท่าน เรื่องนี้ผมเคยว่ากล่าวตักเตือนดวงตามันเหมือนกันแต่มันบอกว่าต้องแต่งตามสมัยนิยมเขาเขานิยมแต่งกันอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราคร่ำครึกโบราณห่วโบราณเกินไปผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเลยปล่อยให้มันทันสมัยไปอัตมาก็เห็นเหมือนกัน ว่าการแต่งตัวอย่างนั้นเป็นการแต่งตามสมัยตามแฟชั่นเป็นการปล่อยตนให้ไหลไปตามกระแสโลกเราเป็นเพียงคนคนเดียวในโลกมนุษย์เมื่อโลกเขาไหลไปทางไหนก็ต้องไหลไปตามเขาไปอาตมาไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าเมื่อกระแสโลก มันนำความทุกข์ระทมตรมใจมาสู่เราด้วยอย่าตะโกนโผนธนาก็แล้วกันให้ถือเสียว่าความทุกข์ระทมนั้นก็เป็นกระแสะของโลกที่เราจะต้องประสบเป็นธรรมดาเรารักที่จะตามกระแสะโลกต้องตามทุกสิ่งทุกอย่างต้องยอมรับกระแสะโลกตามความเป็นจริงแต่นี่ พอจะแต่งตัวก็บอกว่าตามกระแสะโลกแฟชั่นทันสมัยแต่พอประสบทุกข์หนักกลับไปตะโกนด่าโลกอย่างนี้ตามาเห็นว่ายังตามกระแสะโลกไม่เสมอต้นเสมอปลายพอผมเห็นว่าการแต่งตัวแบบยุโกามารณ์นี้มันมีต้นกำเนิดมาจากเมืองฝรังร่งฝรั่งควรจะได้รับการตาหนิหรือ ท่านอาจารย์จะว่าอย่างไรจริงอยู่ต้นกำเนิดของแฟชั่นอยู่ที่ฝรัง่งแต่เราก็วิ่งไปรับเอาของเขามาเองเขาไม่ได้นำมายัดเยียดให้เราหรือไม่ได้บังคับให้เราเอาอย่างเขาเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปตำหนิเขาไม่ได้แต่ผมก็ยังเห็นว่าเขาควรจะได้รับการตำหนิอยู่นั่นเอง เพราะเขาประดิษฐ์ทิ่คคนขึ้นใช้ถ้าเขาไม่ประดิษฐ์ขึ้นมันก็ไม่มีแล้วเราจะได้ตัวอย่างมาจากไหนแต่เอาล่ะครับไม่อยากจะโต้กับท่านในเรื่องเล็กน้อยนี้ผมอยากทราบว่าในเมืองฝรั่งเป็นเจ้าตำรับการนุ่งหน้อยหม่มหนอยนั้นเขามีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเท่าที่ตามาเคยเห็นมาก็รู้สึกว่าเขาถือเป็นของธรรมดา เพราะเขาถือว่าการนุ่งหน่อยห่มน้อยการเปิดเผย อ, อวัยวะบางส่วนเป็นของธรรมดาไม่เสียหายอะไรเพราะวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่ถือสารกในเรื่องเปิดเผยกายแต่เขากลับถือในด้านคำพูดระวังคำพูดไม่ให้พลาดพิงทางกรมารมณ์อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนส่วนวัฒนธรรมไทยเรานั้นมีลักษณะตรงกันข้าม คือเราถือว่าการเปิดเผยอัยวะบางส่วนในที่สาธารณะเป็นการเสืีอหาหน่าอับอายอย่างยิ่งซึ่งสุภาพสตรีไม่ควรกระทําใครขืนกระทําก็หมดคุณค่าฉะนั้นการแต่งตัวแบบไทยๆเราจึงปิดมิดชิดเสื้อปิดตั้งแต่คอถึงข้อมือผ้านุ่งก็ต้องปิดถึงข้อเทา้าแต่ในขณะที่เราถือในเรื่องร่างกาย เรากลับไม่ค่อยถือในเรื่องวาจาคือคำพูดเราอาจจะพูดเรื่องเพศได้อย่างชัดเจนในที่สาธารณะแม้เราจะไม่พูดเองพวกเพลงชอยลำตัดหมอลำหรือพวกซอเขาก็ว่ากาันอย่างเต็มที่ในงานต่างๆไม่เห็นมีใครถือว่าเป็นการเสียหายเราก็อยู่กันมาด้วยความสงบสุขตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ต่อมาเราก็เปิดประตูรับเอาวัฒนธรรมของฝรั่งมาใช้และรับเอาทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีการพิจารณาเลือกสรรรวมทั้งการนุ่งน้อยห่มน้อยนั้นด้วยเมื่อคนไทยซึ่งไม่เคยเห็นการเปิดเผยกายอย่างจงแจ้งเช่นนั้นมาเห็นเข้าย่อมจะมีน้อยคนที่จะเห็นเป็นศิลปะอันสวยงามส่วนมากย่อมจะเกิดความรู้สึกทางเพศขึ้นมาทันที แล้วต่อจากนั้นความเสื่อมเสียสินธรรมด้านเกี่ยวกับเพศก็เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่โยมคำแสนนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวขึ้นเป็นเชิงคานว่าแต่ผมเห็นว่าเรื่องการนุ่งน้อยห่มน้อยเนี่ยหญิงไทยเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็นิยมนุ่งน้อยห่มน้อยเหมือนกันเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาทางานหนัก เช่นตักน้ำตำข้าวหรือทงำงานบ้านหญิงไทยปิดส่วนบนของร่างกายด้วยผ้าสบายผืนเดียวบางทีก็เปิดเผยอย่างจงแจ้งไม่มีอะไรปิดเลยเป็นความจริงอาตมายอมรับ แต่มาอยากจะถามโยมดูก่อนว่าหญิงที่เปิดอวัยวะส่วนบนดังที่โยมเล่านั้นเป็นหญิงสาววัยรุ่นหรือเป็นหญิงสาววัยกลางคนที่มีครอบครัวมีบุตรแล้วก็เป็นหญิงที่มีครอบครัวมีบุตรแล้วนั่นแสดงว่าหญิงไทยรู้จักการเวลาที่ควรเปิดและไม่ควรเปิดในวัยรุ่นสาวเมื่ออวัยวะยังสวยงามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนังยินดีแก่ผู้พบเห็น เขาจะปกปิดอย่างมิชิดแต่เมื่อแต่งงานแล้วมีบุตรหลายคนแล้วอวัยวะย่อนยานหมดความสวยงามแล้วเขาจึงจะเปิดเผยเ <ไป S 1> พราะแม้คนจะพบเห็นเขาก็จะไม่เกิดความกำหนักยินดีแต่ประการใด basically. จริงของท่านบางทีพวกเรายังพูดกันแบบตลกๆว่า เมื่อทาทั้งสองเป็นถุงกาแฟหรือเป็นรองเท้าแตะห้อยฝาแล้วก็หมดค่าว่าแล้วเขาก็ราะอย่างพออกพอใจคนเดียวเอาละผู้สนใจไปทำทั้งหลายเรื่องการแต่งตัวเรียบร้อยไม่เรียบร้อยการแสดงอะไรต่างๆเพื่อยั่วยวนให้คนได้หลง มัวเมาเรื่องนี้จะยุติลงอย่างไรแล้วแต่ท่านพิจารณาก็แล้วกันแต่ว่าท่านดูบางประเทศทำไมเขาเพราะอะไรเขาทำแบบไหนจึงทำได้เช่นการน่องหงที่ไม่เรียบร้อยเขาตัดออกจากประเทศเขาไม่ว่าทีวีหรือรูปภาพต่างๆที่ไม่ดีไม่งา พอใครจะทำออกมาทางการก็ห้ามสิ่งที่ยั่วยุอันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนในสังคมในบ้านเมืองเกิดขึ้นเที่ยวกับการคมคขืนฆ่าหรือการดื่มเหล้าเมายาพอจะเกิดขึ้นแล้วทางการก็ห้ามได้อย่างไร ภาพยั่วยวนทางจอทีวีหรือหนังต่างๆภาพยนตร์ต่างๆที่สอนในทางที่ไม่ดีไมงามทำลายศีลธรรมที่จะเกิดขึ้นทางการเขาห้ามได้อย่างไรและเขาทำได้อย่างไรท่านก็ไปศึกษาดูก็แล้วกันก็อยู่ที่หัวหน้าอยู่ที่ผู้นำส่วนใหญ่จะมีคุณธรรมมากน้อยแค่ไหนจะเอาจริงเพียงใดเท่านั้นเอง เพราะผู้มีอำนาจผู้เป็นใหญ่เท่านั้นจึงสามารถสั่งการอะไรก็ได้ให้เรื่องราญหยาบชาลามเต็มบ้านเต็มเมืองก็ได้หรือจะขัดขวางให้สิ่งเหล่านั้นลดน้อยถอยลงก็ยอมทำได้ขณะที่ทั้งพระและโยมสนทนาการมาถึงตอนนี้โยมทองและชาวบ้านคนอื่นอื่นอีกสี่ห้าคน ก็ขึ้นมาบนบ้านและบอกว่าผมคอยอยู่ตั้งนานนึกว่าท่านจะไปโปรดเมื่อไม่เห็นท่านไปและมีคนเห็นท่านขึ้นบ้านนายคำแสนผมจึงตามมาที่นี่โยมคำแสนยกมือไหว้โยมทองเพือวสุกว่ า, วาแล้วก็บอกว่าขอโทษด้วยนั่นลงผมมีเรื่องเดือดร้อนที่จะต้องของความช่วยเหลือ จากท่านจึงได้ในมนท่านขึ้นบ้านเรื่องดวงตามันใช่ไหมล่ะโยมทองถามแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างดวงตานะโยมคำแสนตอบว่าเรียบร้อยแล้วหมายความว่ายังไงเรียบร้อยแล้วโยมแก้วถา ม, ถามทำท่าทางตกใจ คำว่าเรียบร้อยแล้วมันมีความหมายสองง่ามสองแง่อยู่นะอ๋อสบายดีแล้วน่นมันกำลังอาบน้ำอยู่ที่บ่อหลังบ้านสักประเดี๋ยก็จะกลับมากราบท่านโยมคําแซนตอบแม่โถนึกว่าตายแล้วซะอีกแม่ที่หลังพูดอะไรให้มันชัดๆหน่อยไอ้โยมจานพูดขึ้นบ้าง ทุกคนต่างออกอุทานแสดงความโล่งใจที่ได้สาวหาวานดงตากลับใจได้ไม่คิดจะทำลายชีวิตของตนเองต่อไปหลังจากนั้นการสนทนาก็กลับคืนไปหาปัญหาสังคมอีกแต่คราวนี้มีรสชาติสนุกสนานขึ้นเพราะมีหลายคนร่วมในการสนทนาต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นของตนออกมาอย่างน่าฟังโยมทอง ผู้อายุมากกว่าเพื่อนเห็นว่าภา พ, พยนตร์เป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้ศีลธรรมเสื่อมเพราะมีภาพคนนุ่งน้อยห่มน้อยและมีการแสดงความรักด้วยท่าทางต่างๆอย่างเปิดเผยให้ตัวอย่างไม่ดีแก่เยาวชนโยมแก้วเห็นว่านิยายรักๆโศกศกต่างๆตามหนังสือพิมพ์รายปักรายสัปดาห์และหนังสือพิมพ์นวณนิยายราคาทุกถูก เป็นเหตุทำให้ศีลธรรมเสื่อมได้ดียิ่งกว่าภาพยนตร์สิเพราะการดูภาพยนตร์ต้องเสียเงินเสียทองแต่การอ่านหนังสือไม่ต้องเสียเงินมากยืมเขาอ่านก็ได้อ่านติดใจตอนไหนอ่านซ้ำอีกอกี่เที่ยก็ได้โยมจันซึ่งเคยไปกรุงเทพมาแล้วกล่าวว่าเหตุสำคัญที่ทำให้ศีลธรรมเสื่อมอีกอย่างหนึ่งก็คือบาไหนครับ โรงแรมสร้างโสเพณีและสถานอาบอบนวดต่างๆเมื่อโยมทองผู้สูงอายุยังไม่เข้าใจว่าโรงแรมทำให้สินธรรมเสื่อมอย่างไรโยมจันแนธิบายเพิ่มเติมว่าในกรุงเทพมีโรงแรมมากมายจนไม่มีคนมาพักคนที่จะพักโรงแรมเขาก็เลือกไปพักโรงแรมที่ดีๆ สะอาดโอทโงสะดวกสบายส่วนโรงแรมเล็กๆน้อยๆตามตรอกตามซอยนั้นไม่มีคนไปพักเลยทำให้เจ้าของขาดทุนปนปี้บางรายถึงกับเลิกล้มกิจการไปเจ้าของโรงแรมเล็กๆจึงแก้ไขสถานการณ์โดยการหาหญิงโสเพณีมาอยู่ประจำสำหรับดึงดูดให้คนมาเที่ยวและเช่าห้องช่วงครั้งช่วงคราวแล้วก็เก็บเงินค่าห้องและหักเปอร์เซ็นจากหญิงโสเพณีนั่นเอง นายจันทร์สรุปว่าโรงแรมเล็กๆน้อ ย, นอยในกรุงเทพก็คือซ่องโสณีดีๆนี้เองแถมยังคุยด้วยว่าเขาได้ไปสำรวจมาแล้วด้ดยตนเองทำให้คนอื่นๆหัวเราะชอบอกชอบใจบางคนก็อยากจะถามรายละเอียดจากนายจันทร์อีกแต่ถูกโยมทองห้ามไว้โยมคำแสนเจ้าของบ้านออกความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า ประเพณีบางอย่างที่เรารับเอามาจากฝรั่งทําให้สิธรรมเสื่อมเช่นการลีลาดหรือการเต้นรําเป็นต้นแกบอกว่าประเพณีไทยนั้นห้ามหญิงชายถูกต้องตัวกันในที่สาธารณะแม้จะเป็นสามีพรรยากันแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการเสื่อมเสียน้าอับอายในการฟ้อนรําขับร้องเราก็ไม่ให้หญิงชายถูกต้องกัน แม้จะฟ้อนรำเป็นคู่ก็ต่างคนต่างฟ้อนตามบทบาทของตนแต่ในการเต้นรำแบบฝรังนั้นชายหญิงจะต้องจับมือกันประคองกอดกันบางรายก็กอดกันสลิดเอาหัวทบไหลกันทีเดียวเมื่อคนไทยซึ่งไม่เคยทำเช่นนั้นมาก่อนไปทำเข้าย่อมจะเกิดราคะตันหาและก็กระทำความเสื่อมเสียศีลธรรมต่าง ฟายโยมใจตึงนั่งฟังคนอื่นมานานก็ออกความเห็นของตนบ้างว่าในสมัยปัจจุบันหญิงสาวมีเสรีภาพมากกว่าสมัยก่อนอาจจะไปไหนมาไหนกับชายได้ทั้งในที่แจ้งที่ลับทั้งกลางวันกลางคืนได้อย่างอิสระเปิดโอกาสให้หญิงกับชายได้อยู่ใกล้ชิดกันในที่ลับและนั่นเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียทางสินธรรม คนอื่นๆต่างรับฟังความคิดเห็นอันลึกซึ้งของโยมใจด้วยความเอาใจใส่โยมใจแสดงทัศนะต่อไปว่าการประกวดประชันความงามทางร่างกายนั้นการประกวดประชันความงามทางร่างกายการสมมุติยกย่องกันให้เป็นเทพีต่างๆก็มีส่วนทำให้สินธรรมเสื่อมเหมือนกันเพราะเป็นเหตุให้หญิงสาว ล่มหลงโมมเาในความงามทางกายในการประดับประดาตกแต่งกายกันจนไม่เป็นอันทําการทำงานแต่งกันไปแบบต่างๆจนหมดความงามเหลือแต่ความเย้ายวนกามาราคาร้านเสริมสวยต่างๆเกิดเป็นดอกเห็ดเทพีบางคนโชคดีได้สามีดีก็ทำให้หญิงสาวอื่นๆฝ่ายฝันอยากจะได้อย่างนั้นบ้าง จนบางรายถึงกับยอมเป็นเมียน้อยเขาบางคนนอกจากจะแต่งตัวประเจิดประเจิดแล้วยังแสดงกิริยาท้าทายผู้ชายอีกด้วยทําให้ผู้ชายหมดความยกย่องนับถือสตรีเห็นผู้หญิงเป็นเพียงเครื่องบรรเทาความใครีเมื่อได้โอกาสก็ทําการคมขืนฝืนใจฉะนั้นคดีความผิดทางเพศจึงเกิดขึ้นดาบเดอน เราจะไปโทษผู้ชายฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกควรโทษผู้หญิงด้วยเพราะผู้หญิงวางตัวไม่เหมาะสมเองทุกคนต่างพยักหน้าแสดงความเห็นด้วยกับความเห็นอันแยบขายของโยมใจฝ่ายโยมจันผู้เคยผ่านกรุงเทพมาแล้วรู้สึกว่าตนจะเสียคะแนนไปบ้างเจนแสดงความเห็นต่อไปว่า การแพทย์และเภสัชเจริญขึ้นมีวิธีการคุมกำเนิดและมียาคุมกำเนิดขายกลาดเกลื่อนทั่วไปในตลาดสิ่งเหล่านี้ทำให้หนมสาวไม่กลัวการตั้งครรภ์และกระทำการเสื่อมศีลธรรมได้อย่างสบายใจเมื่อทุกคนได้แสดงทัศนะของตอนเกี่ยวกับมูลเหตุที่ทำให้ศีลธรรมทางเพศเสื่อมแล้ว ก็มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีแก้ไขแต่ส่วนมากเห็นว่าเป็นปัญหาสังคมอันยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจแก้ไขได้ทุกคนต่างทอดถอนใจแสดงความหมดหวังหรือจนกว่ามีผู้มีอำนาจและเป็นใหญ่พร้อมด้วยมีกุณธรรมเกิดขึ้นในสังคมในประเทศชาตินั่นแหละ จึงจะสามารถแก้ไขได้สิ่งร้ายลดลงสิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นแน่นอนเมื่อได้ฟังความคิดเห็นของญาติโยมหลายๆคนแล้วอาตมาจึงคิดว่าควรจะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวบ้างจึงกล่าวขึ้นว่าจริงอยู่ ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่คนเพียงคนเดียวสองคนไม่อาจจะแก้ไขได้ปัญหามันเป็นปัญหาใหญ่ไม่กี่คนเนีแก้ไขไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไขขอให้โยมพิจารณาดูให้ดีก็จะเห็นว่าทางทั้งที่ศีลทำกําลังเสื่อมโทมอยู่อย่างหนัก ก็ยังมีคนบางคนที่ไม่ยอมเสื่อมศีลด้วยยังมีชายหนุ่มอีกมากมายที่ไม่ยอมทำความเสื่อมเสียทั้งๆ ท, ที่มีโอกาสที่จะทำได้ยังมีหญิงสาวอีกมากมายที่ไม่ยอมประพฤติเสียหายทั้งๆ ท, ที่มีคนชักนำล่อลวงนี่ก็แสดงให้เห็นว่าคนเราไม่เหมือนกันทั้งๆ ท, ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน อะไรเล่าทำให้คนประเพื่ต่างกันคำตอบก็คือว่าจิตใจของเขาต่างกันคนบางคนใจแข็งมีแรงต้านทานทางใจมากเกลียดกลัวความชั่วยึดมั่นอยู่ในความดีไม่เชื่อใครง่ายๆมีเหตุผลและการตัดสินใจของตนเองไม่ปล่อยตนให้สิ่งแวดล้อมชักจูงจมูก แต่คนบางคนก็ใจอ่อนเชื่อคนง่ายขาดเหตุผลและการตัดสินใจของตนเองปล่อยตนให้คนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมชักนำไปในทางดีหรือทางชั่วได้ง่ายทำไมเล่าจิตใจของคนจึงไม่เหมือนกันก็เพราะได้รับการอบรมฝึกฝนมาต่างๆกัน การอบรมฝึกฝนเบื้องต้นที่มีอิทธิพลเหนือจิตใ จ, จคนมากที่สุดก็คือการอบรมฝึกฝนจากมารดาบิดานั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็ไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นสิ่งอื่นแต่แก้ที่พ่อแม่ที่ครอบครัว น, นี่แหละก่อนเมื่อตมาพูดมาถึงตอนนิยมทุกคนต้องมองดูตากันด้วยท่าทางงงๆ เพราะเขาคงไม่เคยคิดมาก่อนว่าต้นเหตุของความยุ่งยากอยู่ที่ตัวเขาเองแทนที่จะอยู่ที่สิ่งภายนอกดังที่เข้าใจมาก่อนครู่หนึ่งผ่านไปโ ย, ยมทองผู้สูงอายุจึงพูดขึ้นเป็นทํานองคานว่าเอะผมก็สั่งสอนอบรมมันอยู่นะครับไม่ใช่ไม่สั่งสอนแต่มันก็ไม่ค่อยเชื่อฟัง เด็กสมัยนี้รู้สึกหัวดือมากไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่ไม่ชอบทำการงานอาแต่เที่ยวอาแต่เล่นแล้วจะให้ผมทำอย่างไรที่โยม ว, ว่าเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่นั้นาตาต ม, มาเห็นว่ามีความจริงอยู่บ้างแต่ไม่จริงสำหรับเด็กทุกคนยังมีเด็กอีกเป็นอันมากที่เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ว่านอนก็สอนง่าย ทั้งๆ ท, ที่พ่อแม่เขาก็เป็นคนธรรมดาอย่างเรานี่เองอาตมาคิดว่าเมื่อเราสอนแล้วเด็กไม่เชื่อฟังก็ไม่ควรจะด่วนตำหนิดเด็กฝ่ายเดียวควรจะหันเข้าสารวจดูตัวเองบ้างควรพิจารณาดูวิธีการสอนของเราเป็นอย่างไรทำไมถึงไม่ได้ผลถ้าพิจารณาให้ดีก็จะพบว่าวิธีการสอนของเราบางทีก็มีข้อบอกพร่อง แล้วก็แก้ไขปรับปรุงเสียถ้าแก้ไขปรับปรุงแล้วยังไม่ได้ผลก็ต้องใช้วิธีอื่นอีกวิธีสั่งสอนอบรมไม่ใช่จะมีวิธีเดียวถ้าวิธีหนึ่งไม่ได้ผลต้องใช้วิธีอื่นคนไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องยนต์ซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจแต่คนเป็นสัตว์มีจิตใจมีอุปนิสัยสันดานต่างกันเราต้องสอนให้ถูกกับอุปนิสัยของเขา พระผู้มีพระภาคเจ้าเองก่อนจะทรงสอนใครก็ต้องเลือกธรรมะเลือกวิธีการให้ถูกกับอุปนิสัยของเขาการสอนของพระองค์จึงได้ผลดีเป็นสารถีฝึกเทวดาและมนุษย์ชั้นยอดคนส่วนมากมักจะสอนผู้อื่นโดยวิธีเดียวถ้าไม่ได้ผลก็ประดามว่าผู้รับคำสอนหัวดื้อใช่ไม่ได้ อย่างนี้ได้ชื่อว่าเอาใจใจตัวเองเป็นใหญ่ถ้าไม่ได้ดังใจตัวเองก็ประนามคนอื่นอาตมาเห็นว่าอย่างไม่ถูกยิ่งเด็กสมัยนี้ด้วยแล้วผู้ใหญ่จะต้องฉลาดในอุ บ, บายการสอนและมีวิธีสอนแบบต่างๆพร้อมที่จะนำออกใช้เพราะเด็กสมัยนี้มีความรู้มากเกิดมาในสังคมที่เจริญแล้วอุปนิสัยจิตใจของเขาจึงตามกับเรามาก ส่วนเราเกิดมาในสังคมแบบเก่าได้รับการอบรมแบบเก่าจึงมีพื้นฐานทางจิตใจแบบเก่าผู้ใหญ่บางคนพยายามจะดึงให้เด็กสมัยนี้เป็นอย่างเด็กสมัยห้าสิบหกสิบปีมาแล้วเมื่อเด็กเป็นอย่างที่ตนต้องการไม่ได้ก็ประณาว่าเด็กไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่พยายามดึงเด็กเข้ามาหาเราฝ่ายเดียวเราจะต้องปรับปรุงตัวเราให้เข้ากับเด็กด้วย ท่าที่อาตมาพูดมาอย่างยืดยาวเนีโยมเห็นอย่างไรบ้างเมื่อไม่มีใครตอบอาตามาจึงกล่าวต่อไปว่าที่โยมท้องบอกว่าเด็กสมัยนี้เอาแต่เทีเท่ยวเอาแต่เล่นนั้นอาตามาก็เห็นด้วยเพราะสมัยนี้มีสิ่งดึงดูดความสนใจของเด็กให้ออกจากบ้านมากมายเช่นโรงภาพยนตร์สนามกีฬาสนามมวยสนามเด็กเล่นพัตตาคารร้านกาแฟ ซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรต่างๆอย่างนี้หรืออีกมากมายเด็กๆ ก, กําลังอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็นเมื่อที่อื่นมีสิ่งน่าสนใจมากกว่าบ้านเด็กจึงไม่ชอบอยู่บ้านความจริงเด็กทั่วๆไปก็ไม่ชอบอยู่บ้านแม้แต่เด็กตามบ้านนอกก็ไม่ชอบอยู่บ้านเหมือนกันเขาชอบเที่ยวเล่นไปตามป่าตามห้วยน้องคลองบึงหาหอยหาปลาไปตามเรื่อง ถึงเวลาเย็ยนจึงกลับบ้านกินข้าวแล้วก็นอนแต่เด็กบ้านนอกไม่ค่อยเสียคนเพราะสถานที่ที่เขาไปนั้นเป็นสถานที่ธรรมชาติไม่มีพิษมีภยัยแก่จิตใจไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่สถานที่ที่เด็กในเมืองชอบไปเที่ยวนั้นเป็นสถานที่มีภัยต่อจิตใจฉะนั้นเด็กในเมืองจึงมักจะเสียเพราะสิ่งแวดลอ้อม อาตมาเห็นว่าวิธีแก้ไขที่จะให้เด็กชอบอยู่กับบ้านนั้นก็ต้องพยายามปรับปรุงบ้านให้หน้าอยู่เด็กอยู่แล้วได้รับความสุขใจหางานที่สนุกและถูกใจให้เด็กทำอย่าให้มีเวลาว่างมากเกินไปเพราะว่าอะไรสุภาษิต จ, จีนนะว่าไว้ว่าอยู่เฉยมักคิดชั่วย้าว่างมากเกินไปหางานที่ดี หาเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาเล่นด้วยผู้ใหญ่ต้องคอยดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดแต่ย้ายถึงกับเป็นการควบคุมถ้าทำได้อย่างนี้คิดว่าเด็กจะติดบ้านไม่อยากไปเที่ยวข้างนอกเพราะอยู่ในบ้านก็ได้รับความสุขสนุกสนานอยู่แล้วแต่เท่าที่เป็นอยู่เวลานี้ พ่อแม่ปล่อยเด็กจนเกินไปไม่เอาใจใส่ปรับปรุงทางบ้านพ่อแม่เองก็ไม่ชอบอยู่บ้านเลยปล่อยให้เด็กตเตลิดเปิดเปิมไปคบเพื่อนที่เลวเที่ยวสถานที่ชั่วแล้วก็เสียผู้เสียคนไปฉะนั้นจึงอยากให้พ่อแม่เอาใจใส่ต่อเด็กให้มากกว่านี้เอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่การเล่นการเรียนและการครบเพื่อนของเด็กให้มากกว่านี้ แล้วปัญหายุ่งยากต่างๆก็จะดีขึ้นเองเมื่อเราไม่สามารถจะแก้ไขสังคมส่วนใหญ่ได้เราต้องแก้ไขตัวเราเองแต่ถ้าเราป ร, ปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างแล้วคือแก้ที่ผู้ใหญ่แล้วเด็กยังไม่ดีขึ้นเลยนั้นก็คงสุดวิสัยที่จะแก้แล้วคงสุดวิสัยแล้ว ถ้าปรับปรุงแก้ไขที่ผู้ใหญ่และบ้านเรือนดีขึ้นทุกอย่างเด็กไม่ยอมดีก็เป็นอันว่าต้องแก้ทางอื่นต่อไปอาตอมาสั่งสอนญาติโยมในหลักการสั่งสอนอบรม ล, ลูกหลานจนเวลาสายมากแล้วเจงกล่าวอนโมธนาให้พรและอำลากลับคืนสู่อาราม ในตอนบ่ายจตมาลงไปนั่งพักผ่อนอิริยมบดใต้ต้นไม้ริมอ่างเก็บน้ำตามเคยพลางนำธรรมะข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาพิจารณาเป็นการเจริญพูดชมข้อที่ว่าธรรมวิจัยการคิดธรรมะเป็นการทำงานทางใจเป็นการสร้างปัญญางานทางใจเป็นงานชั้นสูง งานทางวาจาเป็นงานชั้นกลางงานทางกายเป็นงานขั้นเปลือกนอกแต่คนส่วนมากก็เข้าใจกันว่าการทำทางกายทางวาจาเท่านั้นจะเป็นการทำงานการคิดทางใจไม่ใช่งานฉะนั้นเมื่อเห็นใครนั่งคิดอยู่เฉยๆไม่พูดไม่ทา จึงกล่าวหาว่าเขาเขียจครานไม่ทำอะไรความจริงเขากำลังทำงานชั้นสูงผู้นำหมู่คณะต้องเป็นคนทำงานทางใจมากๆใคร่ครวญมากๆถ้าเรามองดูรอบตัวเราเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผลของงานคิดทั้งนั้นแม้ความเจริญหรือความเสื่อมของประเทศหรือของโลกก็เป็นผลของจิตใจ เป็นผลของงานคิดของคนไม่กี่คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตเตนิยติโลโก โ, โลกอันจิตย่อมนำไปจึงเป็นความจริงแท้แม้ในทางพระพุทธศาสนาก็แบ่งกรรมออกเป็นสามทางคือกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมคนส่วนมากมักจะถือกายกรรมและวจีกรรมเป็นสาคัญ เช่นเห็นคนบางคนทำกรรมดีทางกายทางวาจาก็เห็นว่าพอแล้วจิตใจจะเป็นอย่างไรก็ช่างแต่ตามความเป็นจริงชาวพุทธควรจะเว้นความชั่วทางใจเช่นเดียวกับเว้นความชั่วทางกายและวาจาควรจะทำความดีทางใจให้พอๆพอหรือมากกว่าการทำดีทางกายวาจาเสียอีกปนีถึงหัวข้อ ไปเชิญน้ามัจจุราชขณะที่ตามานั่งพิจารณาธรรมอยู่บนแคร่ใต้ต้นไม้นั่นเองก็เกิดมีเสียงดังโครมครามบนต้นไม้ใหญ่ข้างๆแล้วก็มีสิ่งหนึ่งห ล, นลง่นตุกลงมาอาตมาหยุดพิจารณาธรรมมองไปทางเสียงนั้นและได้พบงูเขียวหางแดงขนาดใหญ่ตัวหนึ่งกองอยู่ บนใบไม้แห้งในระยะที่ห่างออกไปประมาณสี่ว่ามันม้วนตัวขดเป็นขนบแล้วชูหัวขึ้นทายไปมาจ้องมองมาทางอาตมาด้วยลักษณะท่าทางม่งรายอาตมาเองก็จ้องดูมันแทบให้กระพริบตาเหมือนกันความตกใจกลัวเกิดขึ้นในใจตามสัญชาตญาณ แต่ได้พยายามรวบรวมสติซ้ำปัญญา ก, กลับคืนมาแล้วขับไล่ความหวาดกลัวนั้นออกไปเสียในทันทีโดยไม่ยากเย็นอะไรเลยเพราะตลอดเวลาหลายปีที่จะมาท่องเที่ยวไปและอยู่ในป่าได้เคยไปเชิญกับสต ร, รายต่างๆมามากต่อมาแต่ก็เอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งเพราะอาศัยอาวุธคือเมตตาธรรม มนุษย์ผู้ยังรักชีวิตและกลัวความตายเมื่อเผชิญกับสัตว์ ร, ร้ายย่อมเกิดความหวาดกลัวเป็นธรรมดาแต่สัตว์ ร, ร้ายในป่าเมื่อเผชิญหน้ากับมนุษย์ย่อมเกิดความตกใจกลัวยิ่งกว่ามนุษย์หลายเท่าความหวาดกลัวนี้เองจะทำให้ทั้งสองฝ่ายวิ่งหนีแต่ถ้าจวนตัวหนีไม่ทันก็จะหันเข้าทำลายเป็นการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย มีสัตว์น้อยชนิดที่ข้ามนุษย์เพื่อกินเป็นอาหารเหตุที่เขาทําร้ายมนุษย์ก็เพราะความหวาดกลัวและเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นเขารู้ดีว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่น่าหวาดกลัวที่สุดในโลกเพราะมนุษย์ใช้อาวุธที่ได้เปรียบเช่นปืนผาหน้าไม้หอกดาบเป็นต้นส่วนสัตว์ไม่มีอาวุธอะไรนอกจากเขี้ยวและ ประจำตัวเท่านั้นยิ่งกว่านั้นมนุษย์ยังเป็นสัตว์ที่มีใจโหดเหี้ยมทารุณยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะมนุษย์นอกจากจะฆ่าสัตว์เป็นอาหารแล้วยังฆ่าเพื่อเป็นกีฬาเพื่อความสนุกสนานด้วยในโลกนี้ดูเหมือนจะมีมนุษย์เท่านั้นที่หาความสุขให้แก่ตนโดยการสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นสัตว์อื่น สัตว์ป่าย่อมทำรายมนุษย์เพราะความกลัวดังกล่าวแล้วถ้ามนุษย์เราสามารถทำตนให้สัตว์เชื่อถือได้ว่าเราไม่มีภัยอันตรายต่อมันแต่ตรงกันข้ามกลับมีความรักและค ว, วังดีต่อมันอย่างบริสุทธิ์ใจสัตว์ก็จะไม่กลัวและทำร้ายมนุษย์ผู้ฝึกสัตว์ประจำคณะละครสัตว์ทุกแห่ง ย่อมมีหลักสําคัญในการฝึกสัตว์ ร, ร้ายหลักหนึ่งตรงกันหมดคืออย่าเกิดความหวาดกลัวเขาบอกว่าถ้าเราเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาร่างกายของเราก็ขับกลิ่นตัวชนิดหนึ่งออกมาเมื่อสัตว์ ร, ร้ายได้กลิ่นชนิดนี้มันจะเกิดปฏิกิริยาที่ต่อต้านหรือทำร้ายทันทีแต่ถ้าเราไม่กลัวและสร้างความรักให้เกิดขึ้น แสดงความเมตตาปรานีต่อมันด้วยวาจาเช่นพูดคำอ่อนหวานกับมันด้วยกายเช่นลูกหัวลูบหลังมันสัตว์จะไม่ได้กลิ่นรายนั้นและจะล่วงรู้ถึงกระแสเมตตาธรรมของเราได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะเป็นมิตรกับเราทันทีฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้สัตว์เชื่อถือได้ว่าเราไม่มีภัยอันตรายต่อมัน และเราไม่หวาดกลัวมันกลับมีความรักและวางดีต่อมันยังบริสุทธิ์ใจสัตว์ก็จะไม่กลัวและทำร้ายมนุษย์อย่าว่าแต่มนุษย์กับสัตว์เลยแม้ในระหว่างมนุษย์ด้วยกันใครมีเมตตาธรรมในจิตใจสูงผู้นั้นย่อมมีสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของผู้ได้พบเห็นใครได้เข้าใกล้ก็รู้สึกสบายใจเย็นใจอย่างประหลาดตรงกันข้าม ใครใจโหดร้ายทารณุณขาดเมตตาย่อมมีใบหน้าเหี้มเกรียมไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เพียงแต่เห็นหน้าก็เกิดความไม่สบายใจไม่อยากอยู่ใกล้สัตว์เดริชานยิ่งมีความรู้สึกต่อสภาพจิตใจของมนุษย์ได้ไว ย, ยิ่งกว่ามนุษย์เซิดเพราะใจของสัตว์เป็นใจซื่อบริสุทธิ์มีความรู้สึกอวเป็นพิเศษคล้ายๆกับจิตใจของทารก ไม่มีเล่เหลี่ยมมารยาไม่มีความคิดอันซับซ้อนแบบจิตใจของมนุษย์ผู้ใหญ่ฉะนั้นสัตว์และทารกจึงล่วงรู้อะไรบางอย่างที่ผู้ใหญ่ไม่รู้เมื่อเป็นคราววดอาตมาเคยเห็นสตรีคนหนึ่งซึ่งชาวบ้านเล่ากันว่านางเป็นคนรับจ้างริดลูกให้แก่ยิงสาวที่ไม่ต้องการมีลูก อาตมาไม่เคยเห็นเธอทำและยังไม่เชื่อสนิทใจทีเดียวแต่มีสิ่งที่น่าประหลาดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับหญิงคนนี้คือเมื่อเธอเดินไปตามถนนเห็นเพื่อนบ้านอุ้มลูกเล่นกันอยู่เด็กเล็กทุกคนที่เห็นเธอจะส่งเสียงร้องไห้จ้าหันหน้าหนีจากเธอและกอดคอแม่หรือพี่เลี้ยงแน่นสนิท แม้เธอจะขออุ้มพูดจาปลอบโยนเล่นหัวอย่างไรเด็กๆ ก, ก็ไม่ยอมหันไปมองนี่นี่น่าคิดปาอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงว่าสัตว์รู้อะไรๆที่มนุษย์ไม่รู้ก็คือเมื่อคราวอัตมาเดินทุดดงไปทางจังหวัดเชียงรายได้เห็นชาวเขาเผ่าอีกก็ลงจากดอยมาซื้อของในตลาดไม่ว่าพวกอีกก็เดินไปทางไหน จะมีสุนัขเห่าหอนเป็นสายไปทีเดียวความจริงก็มีชาวเขาเผาอื่นๆลงมาซื้อของในตลาดแต่สุนัขไม่เหา่าเกิดมาเห่าเฉพาะชาวอีก็เท่านั้นชาวบ้านร้านตลาดเล่าให้ตามาฟังว่าชาวเขาเผาอีกอชอบรับประทานเนื้อสุนัขค่าสุนัข ก, กินเนื้อเป็นประจำสุนัขจึงเห่าเฉพาะพวกอีกอ็ ฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าสัตว์เดริชานมีญาณพิเศษบางอย่างที่ทำให้มันรู้จิตใจของพวกมนุษย์ที่มนุษย์เองก็ไม่รู้อย่าว่าแต่ระหว่างสัตว์กับมนุษย์เลยแม้ระหว่างสัตว์ด้วยกันมันก็มีการกระทำบางอย่างที่เต็มไปด้วยคุณธรรมอันสูงส่งไม่แพ้มนุษย์เมื่อก่อนอุปสมบทอาตมามีเพื่อนคนหนึ่ง เขาเช่าบ้านหลังเล็กๆอยู่คนเดียวในพระนครบ้านของเขาอยู่ใกล้กๆกับบ้านหลังใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังที่เขาเช่าอยู่เจ้าของบ้านเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทไทไว้หลายตัวในจํานวนนี้มีสุนัขตัวเมียอยู่สองตัวตัวใหญ่เรียกกันว่าอินนวนเพราะมันมีสีนวลๆตัวเล็กชื่ออีแดงเพราะสีแดงๆของมัน สุนัขทั้งหมดนอกจากจะกินข้าวจากบ้านใหญ่แล้วยังมากินข้าวที่บ้านเขาอีกเพราะเขาเป็นคนรักสัตว์รับประทานอาหารแล้วที่เหลือก็เอาใส่จานแบ่งให้สุนัขทุกตัวเท่ากันต่อมาสุนัขตัวเล็กที่ชื่อว่าอีแดงได้ตั้งท้องขึ้นตามฤดูกาลแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผิดปกติเกี่ยวกับอีแดงคือแม้ท้องมันแก่จนจะคลอดแล้วนมของมันก็ยังคงเล็กอยู่อย่างเดิม ไม่มีท่าทีว่าจะมีน้ำนมให้ลูกกินเลยเพื่อนของตอมาเองยังเคยปรารถกกับเจ้าของบ้านว่าถ้ามันคลอดลูกออกมาแล้วไม่มีนมให้ลูกกินจะทำอย่างไรในที่สุดอีแดงก็คลอดลูกในตอนเย็นวันหนึ่งขอทราบว่ามันคลอดก็เพราะเห็นทองมันแฟบลง และขณะที่มันวิ่งมากินข้าวยังมีโลหิตไหลเป็นทางเขาได้ไปบอกเจ้าของบ้านว่าอีแดงคลอดลูกแล้วหลังจากนั้นเขาก็ช่วยการค้นหาว่าไปคลอดที่ไหนชินข้าวเสร็จแล้วเขาเห็นคลานเข้าไปใต้ทนครัวซึ่งพื้นกระดานเกือบจะติดกับพื้นดินเขาได้ก้มลงมองเข้าไปก็พบ ไอแดงกำลังกกลูกทำตาพริบๆอยู่เมื่อมันวิ่งออกมาเขาก็ยังคงเห็นนมของมันแฟบอยู่อย่างเด็ดเขาได้พูดกับเจ้าของบ้านด้วยความหวังว่าบางทีวันรุ่งขึ้นเต้านมอาจจะมีน้ำนมให้ลูกกินก็ได้ในตอนกลางคืนวันนั้นเพื่อนของอาตมาได้ยินเสียงสุนัขหลายตัวออกไปยืนเห่าหอนอยู่ในถนนนอกกรัว เขาจำเสียงได้ว่าเป็นเสียงของอีแดงอีนวลและสุนัขตัวผู้อีกสองตัวในบ้านนั้นเองมันแข่งกันเห่าหอนอยู่นานทีเดียวเสียงจึงเงียบสงบลงในเช้าวันรุ่งขึ้นเขารีบไปก้มดูอีแดงและลูกของมันก่อนอื่นแต่เขาต้องเกิดความประหลาดใจอย่างยิ่งที่ได้พบว่าสุนัขที่นอนกอดลูกอยู่นั้นแทนที่จะเป็นอีแดง กลับเป็นสุนัขสีน้ำตาลไหม้ตัวหนึ่งนอนก็ อ, อยู่แทนมันมองดูเขาด้วยสายตาเื็นตื่นอยู่ครู่หนึ่งแต่เมื่อเขาอดีดมือให้มันและเรียกมันด้วยเสียงอ่อนโยนมันก็หลับตาพริมให้ลูกสุนัขทั้งสองดูดนมต่อไปเขาได้เรียกเจ้าของบ้านมาดูเขาก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันและประหลาดใจยิ่งขึ้นเมื่อได้ทราบว่าสุนัขตัวนั้นเป็นสุนัขแม่ลูกอ่อนจากบ้านอีกหลังหนึ่ง ซึ่งอยู่ทางอีกฟากหนึ่งของทุ่งนาห่างออกไปจากบ้านของเขาประมาณครึ่งกิโลเมตรตามปกติสุนัขตัวนั้นเคยผ่านมาทางบ้านเขาเป็นครั้งคราวแต่ทุกๆครั้งจะถูกฝูงสุนัขบ้านเราไล่กัดหลบหนีแทบไม่ทันเปน็นว่าเสียงเห่าหอนของสุนัขบ้านเขาในคืนที่ผ่านมาก็คือเสียงเรียกร้องของความช่วยเหลือจากสุนัขตัวนั้นนั่นเอง ตั้งแต่นั้นมาสุนัขตัวนั้นก็มานอนกกให้ลูกสุนัขทั้งสองกินนมทั้งเช้าและเย็นสุนีแดงซึ่งไม่มีน้ำนมให้กินก็สบายไปเขาเห็นพองต้องกลับเจ้าของบ้านว่าแม่แต่สุนัขซึ่งเป็นศัตรูกันเมื่อถึงคราวขับขันมันก็ยังช่วยเหลือกัน อาตมาแผ่เมตตาจิตให้งูเขียวตัวนั้นและแก่ตระกูลพญางูทั้งสี่คือตระกูลงูวิรูปักตระกูลงูเอราปทะตระกูลงูชพยาปุตรตระกูลงูคันหาโคตมะกะแล้วก็นั่งจ้องดูมันต่อไปครู่หนึ่งต่อมางูเขียวตัวนั้นได้ฉกกัดใบไม้แห้งใบหนึ่งแล้วก็ล้มตัวลงนอนดิ้นพลัดพลับนใบไม้แห้งคล้ายกับถูกตี ได้รับความเจ็บปวดแต่แล้วมันชูหัวขึ้นตั้งอยู่ในท่าปกติจ้องมองดวอาตมายอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เลื้อยหายเข้าไปในโพรงไม้ต้นเดิมนั่นเองอาตมารู้สึกประหลาดใจต่อกิริยาอันแปลกประหลาดของงูตัวนั้นอย่างมากพยายามคิดทบทวนดูเหตุผลอยู่เป็นเวลานานก็คิดไม่ออกจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การปรากฏตัวของงูมีความหมายเพียงอย่างเดียวสำหรับอาตมาคือเมื่ออาตมาได้เปราดเพิรล่วงละเมิดพระพินัยข้อใดข้อหนึ่งโดยไม่รู้สึกตัวในระหว่างเวลากลางวันพอถึงตอนเย็นจะพบงูหรือสัตว์ ร, ร้ายบางชนิดทุกทีตอนทำผิดมักจะมีสัตว์มาปรากฏให้เห็นทุกครั้งที่พบงูนั่นแหละ อาตมาจะทบทวนดูการประพฤติปฏิบัติของตอนในวันนั้นอย่างละเอียดและในที่สุดก็จะพบข้อบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งทันทีเมื่อพบแล้วก็แสดงความเสียใจและอธิษฐานใจว่าจะไม่กระทำความผิดนั้นอีกในที่สุดงูนั้นก็จะเลื้อยเข้าป่าเข้าโพรงไม้หรือเข้ารูหายไป พระอาจารย์ของตามาเคยสอนไว้ว่างูนั้นเป็นแต่เพียงรุกขเทวดาแปลงเพศมาตักเตือนด้วยความหวังดีบางครั้งนะเป็นอย่างนั้นเพราะผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อการประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระบรมศาสดาสมาสฝังพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นแม้แต่เทพเจ้าเราอธิศมานากายก็รับรู้และให้การสลับสนุนถ้าเห็นว่าอะไรผิดพลาดบกพร่องก็ตักเตือนทันที ถ้าเห็นเราประพฤติปฏิบัติถูกต้องก็อนโมธนาสาธุการและคอยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆให้สำหรับคราวนี้อาตมาก็หันเข้าตรวจดูความประพฤติพระทวินัยของตนทันทีแต่พิจารณาอย่างละเอียดทีท่วนตั้งแต่วาระแรกที่ตื่นนอนแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดพลาดบกพร่อง อาตมาได้ปฏิบัติกิจวัตรทุกอย่างด้วยสติสัมปชัญญะเต็มบริบูรณ์อย่างทุกวันมาถ้าอย่างนั้นงูตัวนั้นปรากฏตัวขึ้นด้วยเหตุใดเมื่อคิดหาเหตุผลใดๆไม่พบอาตมาก็เลยตกลงใจเอาโดยสามัญจะสำนึกว่างูตัวนั้นคงจะเป็นงูธรรมดาที่พลัดตกลงมาจากต้นไม้ ส่วนอาการวิปริตของมันนั้นก็คงเป็นผลแห่งความเจ็บปวดหรือจุกเสียดอันเกิดจากการตกที่สูงกระทบพื้นเท่านั้นเองคงไม่ใช่รุกรเท ว, วดามาตักเตือนไปนแน่คิดดังนั้นแล้วอาตมาก็ ข, าขาจัดความคิดเรื่องงูออกไปจากจิตใจแล้วก็คิดวิจารธรรมต่อไปอาตมากลับสู่กุฏิน้อยในตอนเย็น จัดการเช็ดถูพื้นกุฏิปัดกวาดบริเวณแล้วก็นั่งพักผ่อนอยู่บนเฉลียงของกุฏิน้อยขณะที่นั่งอยู่นั้นภาพของงูเขียวหางแดงได้ปรากฏตัวขึ้นมาในใจอีกเป็นธรรมดาที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเรายังสงสัยลังเลมักจะปรากฏขึ้นมารบกวนจิตใจเสมอคล้ายกับมาท้าทายให้เราคิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาคำตอบให้ได้ อาตมาได้ใช้เวลานั่งพักผ่อนนั้นคิดหาเหตุผลเรื่องของงูอีกแต่ก็ไม่พบคำตอบใดๆตามเคยขณะที่กําลังนั่งคิดอยู่นั้นหูแววได้ยินเสียงรถยนต์ดังเรื่มาแต่ไกลอาตมาไม่ได้เอาใจใส่กับเสียงรถยนต์นั้นนะักเพราะมีรถยนต์เข้ามาในอารามแห่งนี้เป็นครั้งคราวอยู่แล้วเป็นปกติธรรมดา เสียงรถยนต์ดังเข้ามาในอารามครู่หนึ่งแล้วก็้องเยยบหายไปคงจะเป็นศรัทธายายมบางคนมาติดต่อธุระบางอย่างกับพระในวัดนั้นต่างปกติอาตมาสงบจิตแผ่เมตตาให้แก่ทุกคนที่เข้ามาในเขตอารามแล้วก็นั่งพักผ่อนต่อไปต่อมาอีกครู่หนึ่งอาตมาสังเกตเห็นชายอ า, ายุกลางคนคนหนึ่งกำลังเดินมาทางกุฏิของอาตมาอย่างระมัดระวัง เขาเดินช้าๆมองซ้ายทีมองขวาทีด้วยท่าทางประมาหรือตกใจกลัวอะไรบางอย่างเมื่อเขามายืนอยู่เฉพาะหน้าตามาแล้วตามาก็สังเกตเห็นได้ว่าเขาเป็นชายอายุประมาณสี่สิบปีผิวกายค่อนข้างเขาร่างกายค่อนข้างพร้อม